เล่นหวยเล่นพนันผิดศีลไหมไม่ผิดหรอกแต่พระท่านว่าเป็นอบายมุกอบายแปลว่าความฉิบหายซึ่งอาจหมายถึงความย่อยยับแห่งโภกทรพซ์ในปัจจุบันส่วนอบายภูมิคือที่ที่ปราศจากความเจริญท่านว่าการเสพติดอบายมุก ทำให้จิตใจตกต่ำเป็นธรรมดาเมื่อจิตใจตกต่ำก็พร้อมจะไปอยู่ในที่ที่ปราศจากความเจริญแห่งใดแห่งหนึ่งระหว่างนรกภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมิหรือเตระชานภูมิลักษณะของจิตที่จดจ่อกับโชคลาภที่ผูกพันอยู่กับโชคชะตาที่ไม่แน่นอนตลอดเวลาเป็นอกุศ ล, ลจิตมีความหมกมุ่น อยู่กับอะไรที่ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าไม่มีเหตุไม่มีผลด้วยถ้าจิตหม่นมองอยู่มากๆเกี่ยวกับเรื่องอบายมุกมันคิดไม่ดีได้หมดมันพูดไม่ดีได้หมดมันพร้อมที่จะทำอกุศลกรรมได้ทุกประเภทเขาถึงบอกว่าการหมกมุ่นอยู่กับอบายมุกเป็นเหตุให้ไปสู่อบายคำว่าอบายมุกผมแปลง่ายๆก็คือมุกของอบาย จะลากเราลงไปนั่นแหละอ้าวสวยละสิอย่างนี้ก็ต้องไปเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งในสี่จำพวกนี้ใช่ไหมถ้าไม่ถึงกับเศษติดก็คงเหมือนคนที่ยืนอยู่ปากเหวยังมีสติมัง้งการผิดศีลต่างกับการติดอบายามุขอย่างไรศีลข้อสอง ทินนาธานาคือลักษณะของการเล็งโลภอยากได้ในสิ่งที่เราไม่ใช่เจ้าของแต่เราไปซื้อหวยเราเอาเงินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการไม่ต่างจากพวกที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นมันก็อยากได้ผลเหมือนกันเอาเงินน้อยไปแลกเงินมากถ้าจะเข้าใจความแตกต่างอย่างชัดเจนต้องรู้จกักศัพท์เพิ่มอีกคำหนึ่งคือกรรมไมกิเลต ซึ่งหมายถึงการกระทาอันเป็นเครื่องเศร้าหมองพระพุทธเจ้าจำแนกไว้สี่อย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดประเวณีและพูเทศทำกรรมเหล่านี้เมื่อไหร่จิตจะต้องมีความเศร้าหมองเป็นอกุศลทันทีตามธรรมชาติถามว่าและอบายยมุกละสำหรับอบายามุกนั้นจำแนกเป็นหกประการ ได้แก่ติดเล่าอย่างหนึ่งชอบเที่ยวกลางคืนอย่างหนึ่งเที่ยวดูการละเล่นถี่จัดอย่างหนึ่งมักเล่นการพนันอย่างหนึ่งคบคนชั่วเป็นมิตรอย่างหนึ่งและเกียคร้านการงานอย่างหนึ่งใครๆก็คิดได้ด้วยสามัญสํานึกว่าเหล่านี้เสพติดแล้วเป็นเหตุย่อยยับแห่งภพกรัพย์จริงๆกรรมกิเลตนั้น ทำล้สมบัติอาจจะไม่ชิบหายแต่ก็ได้ชื่อว่าสั่งสมบาปกองโตไว้อย่างพวกเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ที่ต้องทําปานาติบาตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันผลในปัจจุบันคือรวยเอารวยเอาได้อยู่แต่ก็ได้ชื่อว่าสั่งสมบาปกองโตไว้ซึ่งจะขอให้ผลร้ายในอนาคตถึงชาติหน้าต่อไปส่วนอบายมุกนั้นเสพติดแล้ว รังแต่จะทําให้สมบัติเสื่อมลงแต่ก็ใช่จะเป็นบาปอากุศลเสมอไปอย่างพวกชอบเที่ยวตระเวนดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยเพียงแต่เสียเวลาทำมาหากินทํำซัพย์ให้ร่อยรอไปโดยไม่หาเพิ่มปลับไปที่คำถามที่ว่าการพนันผิดศีลไหมต้องตอบว่าไม่เพราะอบายามุขที่ผิดศีลมีข้อเดียวคือการติดสุรา เคยลงไปหน่อยก็เล่นแค่พอหอมปากหอมคอแต่ชีวิตปกติทำงานหาเลี้ยงชีพโดยชอบคงไม่เป็นกรรมนำไปเกิดในอบายใช่ไหมตอบว่าใช่แต่ความจริงอีกด้านหนึ่งก็คือคือก็ทะเลสอกก็ทะเลตราบใดเท้ายังแช่อยู่ในทะเลตราบนั้นความเสี่ยงทั้งปวงก็ยังคงอยู่ที่นั่นเสมอ